แล้วจึงพูดขึ้นว่าเอ๋ถามแปลกดีรู้สึกว่าเธอชอบถามอะไรแปลกๆอยู่เรื่อยนะก็ผมอยากรู้นี่ครับตอบซื่อๆจะรู้ไปทำไมบางครั้งท่านพระครูก็คิดว่าการได้ต่อปากต่อคำกับคนช่างซักก็ทำให้เพลินดีเหมือนกัน รู้ไวเพื่อประดับความรู้สิครับหลวงพ่ออ๋อถ้าอย่างนั้นก็จะได้บอกให้เอาบุญครับรับรองว่าหลวงพ่อได้บุญล่ายหลายเอเธอถามว่าอะไรนะจำไม่ได้แล้วท่านแกล้งยั่วหลวงพ่อความจำชักไม่ดีแล้วนะสิครับแสดงว่าแก่แล้วคนซื่อได้ที ชะชะได้ทีขี่แพะไล่เชียวหน้าโบเหียวนะเขาเรียกว่าได้ทีขี่แพะไล่ต่างหากเราครับไล่ใครละ่ะไล่แมวครับงั้นก็แล้วไปนึกว่าไล่เธอแล้วก็ยุ่งเชียวละคนซื้ออยากรู้เร็วจึงถามขึ้นอีกว่าหลวงพ่อยังไม่ได้ตอบผมเลยครับว่าทำไม คนกราบเป็นจางเขาประดิษฐ์ใหม่เป็นถึงได้เป็นคุณหญิงก็ทำไมคนกราบเป็นถึงไม่ได้เป็นคุณหญิงเล่าการเป็นคุณหญิงเขาตัดสินหรือวัดกันที่การกราบการไหว้เมื่อไรละ่ะคนที่จะได้เป็นคุณหญิงเขาต้องได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือที่เรียกว่าสายสะพายนั่นไง สงสัยอีกสิว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืออะไรท่านพระครูกแกล้งดักคอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็คือสายสะพายน่ะสิครับคนความจำดีตอบอ๋อกิงนี่ท่านพระครูออกปากชมแต่ผมก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าไอ้สายสะพายนี่มันเป็นแบบเดียวกับสายตะพาย ที่เขาเอามาร้อยจมูกอว่าจมูกควายหรือเปล่าถ้าเป็นแบบเดียวกันคุณยิ้งคุณนายไม่ต้องถูกร้อยจมูกหรืคนขี้สงสัยถามอย่างสงสัยมันไม่เหมือนกันหรอกสายตับไผ่นั่นมันเป็นเชือกเวลาเขาเอาเชือกมาร้อยจมูกอว่าควายเขาเรียกว่าสนตับไผ่แต่สายสพายเป็นผ้าแถบยา ว, ยาว ว่างประมาณสามนิ้วพอจะเข้าใจหรื อ, อยังละ่ะครับถ้าอย่างนั้นก็ยังมีอีกเรื่องนึงที่ผมแอบสังเกตเห็นคือคุณหญิงแก่ถ้าทางข่มภัวหนาดูเลยแล้วก็ไม่มีมารยาทแอบไปฟังท่านคุยกันขณะสมชายไปบอกก็ไม่ยอมลงมานี่ถ้าเป็นเมียผมละก็อืมตบล้างน้ำเลยคนช่างสังเกตยกมือขวาขึ้นตบอากาศอยู่ไปมา พลางทำเสียงฟิวฟิวไปด้วยเห็นคนฟังไม่ว่าไกรจึงวิจารณ์ต่อถาทางรัฐมนตรีก็กลัวเมียหน้าดูเลยเสียเชิงชายหมดเอาเถิดนาใครเขาจะข่มกันจะกลัวกันยังไงก็เรื่องของเขามันหนักกัะ บ, บาลเธอหรือไงเล่าถึงได้เดือดร้อนนักท่านประครูว่าให้มันก็ไม่หนักหรอกครับ แต่ว่ามันก็ไม่ดีนะักตัวเองออกใหญ่โตทั้งรูปร่างและตำแหน่งไม่น่ามากรูผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวนี่แนะบัวเหี้ยวคราวนี้ท่านพระครูพูดเป็นงานเป็นการนักปฏิบัติน่ะเขาไม่สนใจเรื่องของคนอื่นหรอกคือสติปัฏฐานสี่นั้นไม่มีข้อไหนที่บอกให้สนใจสิ่งนอกตัว กายเวทนาจิตธรรมล้วนอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นเอาละทีนี้จะได้อธิบายจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งเป็นสติปัฏฐานข้อที่สามสองข้อแรกมีอะไรบ้างไหนบอกมาสิท่านทดสอบความจำคนเป็นสิท์ กายานุปัสนาสติปทานกับเวทนานุปัสนาสติปทานครับเธอเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าคืออะไรครับดีแล้วคราวนี้ก็มาพูดถึงจิตตานุปัสนาสติปฐานที่เธอกำลังคิดกำลังพูดอยู่นี่มันไม่เป็นจิตตานุปัสนาเพราะเธอ เอาจิตออกไปนอกตัวไม่ใช้สติตามรู้จิตของตัวเองปล่อยให้จิตสัดสายไปในเรื่องไม่เป็นเรื่องเหมือนอย่างที่เธอกำลังพูดเรื่องคนอื่นอยู่ขณะนี้นักปฏิบัติที่ดีจะต้องไม่มองออกนอกตัวไม่วิพากวิจารผู้อื่นใครจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขา หน้าที่ของนักปฏิบัติคือใช้สติตามดูตามรู้กายเวทนาจิตธรรมที่เกิดขึ้นในตัวเองอย่ามองออกนอกตัวจําไว้หุวงพ่อครับการใช้สติตามดูกายกับเวทนานั้นผมพอจะเข้าใจแต่ตามดูจิตนี่ผมยังไม่เข้าใจครับ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 เช่นมีราคะโทสะโมหะหรือไม่ฝุ้งซ่านหรือเป็นสมาธิหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นเป็นต้นขณะที่เธอเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิแล้วจิตคิดไปในเรื่องต่า ง, างๆเธอก็ต้องรู้ในขณะนั้นว่าจิตกำลังฟุ้งซ่าน ก็พยายามทำให้มันเป็นสมาธิด้วยการเอาสติมาจดจ่ออยู่กับอุริยาบทจะเป็นขวาย่างสายยางหรือหองยุกก็แล้วแต่ว่าเธอกำลังเดินหรือนั่งพูดง่ายๆก็คือให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิต อย่าลืมพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปดหมืนสี่พันพระธรรมคันนั้นเมื่อย่อลงแล้วเหลือเพียงข้อเดียวคือสติปัติมโอวาทที่ประทานแก่พระอานนท์และภิกษุห้าร้อยรูปตอนใกล้จะปรินิพพานก็ทรงเน้นเรื่องสติ รู้ไหมปัดถิมมาโอวาดนั้นว่าอย่างไรท่านถามพระบวดใหม่ทั้งที่รู้ว่าฝ่ายนั้นไม่รู้ไม่ทราบครับลุงพอก่อสราบว่าผมไม่ทราบแล้วก็ยังจะแกล้งถามให้ผมอับอายขายหน้าพระใหม่ตัดพอ้ออ้าวก็เปิดโอกาสให้เธอได้พูดบ้างยังไงละ่ะ ดิวจะมาหาว่าฉันตีตัวพูดอยู่คนเดียวนิมลหลวงพ่อพูดเถอะครับผมขอตีตัวฟังอย่างเดียวเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นก็ฟังต่อปัดิมมโอวาทที่พระพุทธองค์ทรงประทานแก่บรรดาภิกษุมีใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราผู้ตถาคตเตือนท่านทั้งหลายให้รู้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยไม่ประมาเทเถิดนี่แหละเป็นพระวาจาสุดท้าย ของพระพุทธองค์เพราะหลังจากตรัสเช่นนี้แล้วมิได้ตรัสอะไรอีกทีนี้เธอเห็นหรื อ, อยังว่าคำสอนทั้งปวงที่ได้ประทานตลอด4 5 0ส0บาพันานั้นมาจบลงที่สติตัวเดียวนี้ไม่เห็นมีคำว่าสติเลยนี่ครับหลวงพ่อคนจำเก่งแต่คิดไม่เก่งท้วงขึ้น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 นั่งสมาธิและกำหนดรู้อิริยาบถซึ่งก็คือการเจริญสติปัฏฐานสี่อันถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติไหนเธอลองบอกมาสิว่าหน้าที่ของนักบวชในพระพุทธศาสนามีอะไรบ้าง <c oughs> ไม่ทราบครับก็หลวงพ่อยังไม่เคยสอนท่านมหาก็สอนแต่กิจวัตรสิบอย่างตอนก่อนบวช มี 1. ลงอุบสถ 2. บิณฑบาตเลี้ยงทีบสสวดมนต์ไหว้พระ 4. กวาดอาวาสวิหารหลานพระเจดีย์รักษาภาคครอง 6. อยู่ปริวาสกรรม 7. โกนผมปลงหนวดตัดเล็บแปศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์ 9. เทศนาบัติ 10. พิจารณาปัจจเวกทั้ง 4. เป็นต้น ไม่ทราบว่าจะเป็นอันเดียวกับที่หลวงพ่อถามหรือเปล่าที่เธอว่ามานั้นเป็นรายละเอียดแต่หน้าที่หลักของบันพทิตที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้มีเพียงสามข้อคือศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและสั่งสอนธรรมอันนี้เป็นหน้าที่หลักศึกษาธรรมก็คือเรียนรู้วิธีปฏิบัต วิธีเจริญสติปัฏฐานสเมื่อรู้แล้วต้องลงมือปฏิบัติไม่ใช่รู้เฉยๆเหมือนอย่างพวกนักปรชัชญาเมื่อปฏิบัติได้แล้วก็ต้องสั่งสอนคนอื่นได้เหมือนกับที่หลวงพ่อปฏิบัติอยู่ใช่ไหมครับใช่ฉันเป็นศักยบุตรพุทธโอรสก็ต้องปฏิบัติตามที่เสด็จพ่อทรงสอน ถึงเธอกดเช่นกันกล่าวกันว่าในสมัยพุทธกาลมีเมืองเล็กๆ เ, เมืองหนึ่งชื่อกุรุชาวเมืองกุรุนิยมเจริญสติปัฏฐานสี่กันมากถึงขนาดเอามาเป็นคำทักทายปราศัยกันในชีวิตประจำวันเช่นเวลาเดินไปพบคนรู้จักแทนที่จะถามว่าสวัสดี ไปไหนมาจ้ะทานข้าวหรื อ, อยังอะไรทำนองนี้เขากลับทักทายกันว่าท่านพูดเจริญท่านเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วหรื อ, อยังถ้าเขาตอบว่าฉันเจริญสติปัฏฐานสี่หยุดจ้ะเขาก็จะยกมือขึ้นสาธุสาธุแปลว่าดีแล้วดีแล้วแต่ถ้าคนตอบบอกว่ายังเลยจ้ะ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 เมื่อชาวเมืองกุรุพาเกินเจริญสติปัฏฐานสเป็นนิจจศีลก็ทำให้เมืองเล็กๆนั้นเจริญรุ่งเรืองฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ครั้นพระพุทธองค์ทรงทราบจึงเสด็จไปที่เมืองนั้นและทรงทํานายว่าต่อไปในการข้างหน้า เมืองกุรุจะกลายเป็นเมืองใหญ่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากซึ่งก็จริงตามพุทธธรรมนายเพราะเมืองกุรุในปัจจุบันก็คือเมืองนิวเดลีซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดียทีนี้เธอเห็นหรื อ, อยังละว่าการเจริญสติปัฏฐานสี่มีประโยชน์ มีอนิสง์มากมายเพียงใดเห็นแล้วครับและผมตั้งใจว่าจะพากเพียรให้ถึงที่สุดดีแล้วเดี๋ยวกลับไปเดินจงกรมชั่วโมงครึ่งเอาระยะละครึ่งชั่วโมงแล้วนั่งสมาธิอีกชั่วโมงครึ่งเวลานอนก็อย่าลืมกำหนดพองยุบไปจนกว่าจะหลับพยายามจับให้ได้ว่า หลับไปตอนยุบหรือตอนพองจับได้หรื อ, อยังละ่ะยังครับเอาละ่ะยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคืนนี้พยายามใหม่ได้เมื่อไรให้มาบอกทันทีเข้าใจไหมครับแล้วตอนสองทุ่มผมก็ไม่ต้องมาสอบอารมณ์ใช่ไหมครับเพราะนี่ก็ทุ่มกว่าแล้วไม่ต้องกลับไปสงน้ำแล้วลงมือปฏิบัติ ไปจนกว่าจะถึงเวลานอนพรุ่งนี้ก็ตื่นตีสี่มันจะง่วงเหงาเหานอนก็ต้องฝืนใจการทำความดีต้องฝืนใจจึงจะสำเร็จเอาละกลับไปได้แล้วคืนนี้ฉันจะสอนครูสามคนให้เดินจงกรมระยะที่สี เหลือเวลาพรุ่งนี้อีกวันเดียวเขาก็จะกลับกันแล้วพรุ่งนี้หลวงพ่อจะให้เขาต่อระยะที่ห้ากับหเลยไหมครับก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ต้องดูกำลังเขาก่อนว่าจะรับไหวไหมคนเป็นครูใหญ่คงได้แต่อีกสองคนฉันไม่ค่อยแน่ใจสำหรับเธอวันละหนึ่งระยะดีแล้วค่อยเป็น ข้อยไปเพราะเธอต้องอยู่ที่นี่อีกนานท่านอธิบายเพื่อไม่ให้คนเป็นพระน้อยใจว่าให้ความสำคัญกับคนเป็นคฤหัตมากกว่าถ้าเช่นนั้นผมกราบลาละครับเดี๋ยวต้องกลับไปสงน้ำแล้วสวดมนรรมต์ทวัดเย็นจากนั้นจึงจะลงมือปฏิบัติไปเถอะขอให้ภาคเพียรให้ดีบุคคล ล่วงทุกได้ก็เพราะความเพียร น, นี่แหละจําเอาไว้พระโบเฮียกลับไปแล้วท่านพระครูจึงได้ส่งน้ำชำระร่างกายเหลือเวลาอีก20นาทีจะถึงสองทุ่มท่านจึงเขียนหนังสือคู่มือสอบอารมณ์กรรมฐานซึ่งเขียนมาได้ปีเสร็จแล้วและคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะเสร็จ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 แต่สังขารร่างกายของท่านก็ยังอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติซึ่งย่อมจะต้องสุดโทมและร่วงโรยไปเร็วกว่าร่างกายที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีและสม่ำเสมอเวลาสองทุง่งคณะของครูสริศก็มาถึงท่านพระครูสอบอารมณ์ให้ทีละคน แล้วจึงสอนการเดินจงกรมระยะที่สี่ซึ่งมีสี่หนอโดยเพิ่มยกส้นหนอลงไปอีกหนึ่งนอกนั้นเหมือนกับระยะที่สทุกประการการเดินจงกรมระยะที่สจึงบริกรรมว่ายกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเดินเป็นกันแล้ว ท่านจึงให้กลับไปปฏิบัติต่ อ, อยังสาลาที่พักคนทั้งสามลุกออกไปเมื่อเวลาสามทุ่มครึ่งท่านพระครูกำลังจะขึ้นไปเขียนหนังสือต่อก็พอดีลูกศิษย์วัดมาเรียนว่ามีแขกมาขอพบเมื่อท่านอนุญาตชายหญิงคู่หนึ่งจึงเดินเขาเข้ามาหาในมือประคองผานคนรบายมีผ้าตรเนื้อดีหนึ่งสรับวางอยู่ในผานของผู้ชาย ส่วนของผู้หญิงเป็นดอกไม้ทูปเทียนเมื่อเดินเข่าเข้ามาใกล้ในระยะหัตถบาทจึงวางผานไว้ทางขวามือของตนแล้วกราบเป็นจางค้าประดิษฐ์สามครั้งเจริญพรโยมมายังไงกันค่ำค่ำมืดมืดท่านเจ้าอาวาทัก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 ชายผู้นี้ได้มาเข้ากรรมฐานเป็นเวลาเจวันเมื่อปีที่แล้วหลังจากนั้นก็ไปไปมามาอยู่เสมอถ้าอย่างนั้นก็ตามใจแต่ถ้ามีโอกาสก็น่าจะมาอยู่วัดสักเจวันอยู่บ้านมันรักษาอารมณ์ได้ไม่ค่อยต่อเนื่องเดี๋ยวเรื่องโน้นเรื่องนี้มากระทบค่ะดิฉันก็ว่าจะหาโอกาสมาให้ได้ รอให้ลูกคนเล็กโตอีกสักหน่อยตอนนี้เพิ่งจะได้สามขวบกับสี่เดือนพัญญาพูดบ้างจะเอาอย่างนั้นก็ได้แต่บางคนลูกยังเล็กอยู่เขาก็มาลูกศิษย์อาตมาคนหนึ่งเป็นอาจารย์อยู่กรุงเทพเขามาเข้ากรรมฐานครั้งแรกเมื่อลูกชายอายุได้สี่เดือนมาอยู่ตั้งเจ็ดวัน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 ไม่น่าเชื่อว่ามีลูกแล้วนั่นแหละอายุสาสิบกว่าแล้วแต่ดูหน้าเด็กระวังนะชมคนอื่นว่าสวยต่อนหน้าแม่บ้านกลับไปเนื้อเขียวอาตมาไม่รู้ด้วยนะดิฉันชินแล้วค่ะหลวงพ่อลูกคนอื่นเมียคนอื่นเขาชมว่าดีว่าสวยไปหมดที่ลูกตัวเมียตัวไม่มีอะไรดีสักอย่างถึงดีก็ว่าไม่ดี ฝ่ายพัญญาตั้งท่าเปิดศึกท่านพระครูเห็นท่าไม่ดีจึงพูดจากไกลเกลี่ยว่าผู้ชายก็อย่างนี้ทุกคนแหละโยมไปถือสาให้เสียอารมณ์ทำไมเล่าว่าแต่ว่าที่โยมจะกลับไปทำกรรมฐานที่บ้านนะ่ะอาตมาขออนุโมทนาด้วยทำได้วันละนิดละหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำ นึกว่าสะสมหน่วยกิจเอาไว้ท่านใช้คำพูดทันสมัยเสร็จจากพิธีขอกรรมฐานสองสามีพัญญาจึงช่วยกันประเค้นผ้าไตรถวายแด่ท่านพระครูแล้วจึงบอกลาเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งกลับปละเดี๋ยวจะให้ดูของดีโน่นมากันโนนแล้ว ท่านบุยใบยไปที่ชายหญิงกลุ่มใหญ่ซึ่งพากันเดินตรงมายังกุฏิคนเดินหน้าถือถาดทองเหลืองขนาดใหญ่มาด้วยใบหนึ่งเมื่อมาถึงยังไม่ทันได้ทำความเคารพเจ้าของกุฏิพวกเขาก็พากันถอดเครื่องประดับเช่นสร้อยคอแหวนนาฬิกาข้อมือสร้อยข้อมือออกใส่ถาดนั้นจนเต็มแล้วจึงช่วยกันยกไปวางต่อหน้าท่านพระครู สามีพัญญาผู้มาก่อนแอบนึกในใจว่าโท่เอ้ยเราเอาแค่ผ้าตรสำหรับเดียวมาถวายแต่คนกลุ่มนี้ช่างใจบุญใจกุศลกว่าเราหลายเท่านักขนาดของมีค่าในตัวก็พากันถอดมาถวายจนหมดใจบุญแท้ๆแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็พากันขยันขยอว่าหลุงพ่อเสกหน่อยช่วยเสกให้หน่อยจะได้คลัง ท่านพระครูจึงทําทีเป็นนั่งหลับตาทําท่าบริกรรมแล้วเป่าพรวดพรวดลงไปสามครั้งจึงลืมตาพูดว่าเอาศีกแล้วศิกให้แล้วพอท่านพูดจบคนเหล่านั้นก็กรูกันเข้ามาที่ถาดหยิบคนละมุบละหมับเอาของของตัวคืนแล้วจึงพากันลากลับไม่ลืมเอาถาดทองเหลืองใบใหญ่กลับไปด้วย เพลอดเดียวจะต้องไปให้หลวงพ่อวัดโน้นเสกอีกท่านพระครูสายหน้าแล้วพูดกับสองสามีพัญญาว่าพวกนั้นเขาอีกระดับหนึ่งชวนให้มาเข้ากรรมฐานเขาไม่เอาชอบให้เสกให้เป่าตะพฤษของจริงไม่ชอบชอบของปลอมท่านพูดยิ้มยิ้มหลวงพ่อไม่อธิบายให้เขาฟังหรือครับ ชายผู้สามีถามโทโยมต่อให้อธิบายจนขาดใจเขาก็มไม่ฟังเขารับได้แค่นั้นก็ต้องแล้วแต่กรรมของแต่ละคนพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสสอนไว้ว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้สามและประีตถ้าคนเรา เข้าใจอะไรอะไรได้เหมือนกันหมดโลกมันก็ไม่ยุ่งสิโยมเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อเต๋ไม่เล่าเคยครับได้ยินกิติศัพท์ว่าท่านเก่งทางเสกเป่านั่นแหละเสกจนตายคาที่เลยขนาดท่านนอนพั ง, งาบพั ง, งาบจวนจมรณะภาพอยู่แล้วพวกลูกศิษย์ ยังเอาตุ๊กตามาให้เซกที่ละหลายร้อยตัวท่านก็ต้องเซกต้องเป่าเป่าจนลมไม่มีพวกลูกศิษย์ก็ว่าหลวงพ่ออดทนเอาหน่อยอดทนเอาหน่อยจวนเสร็จแล้วท่านก็ตามใจเป่าให้จนลมหายใจสุดท้ายอาตมาเห็นแล้วสงสารท่าน แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะพวกลูกศิษย์เขาจะเอากันอย่างนั้นพอพวกเขารู้ว่าท่านสิ้นลมกลับพากันบ่นเส อ, อีกว่าแม่หลวงพ่อให้ช่วยแค่นี้ก็ต้องตายด้วยหลวงพ่อครับแล้วของที่ว่าเสกเป่าแล้วจะทำให้ศักดิ์สิทธิ์หรือขลังจริงไหมครับมันจะไปโค้งไปขลังอะไรเล่า ก็เชื่อกันไปผิดพิษหลวงพ่อเต๋อเองท่านก็รู้แต่ท่านบอกว่าห้ามเขาไม่ได้อธิบายเขาก็ไม่ยอมฟังก็เหมือนกับที่อาตมาไม่สามารถอธิบายให้คนกลุ่มเมื่อกี้เข้าใจได้นั่นแหละถ้าจะเปรียบกับบัวสีเหล่าก็คงได้แก่พวกปทปรมะ สอนยังไงก็รับไม่ได้เพราะสติปัญญามีแค่นั้นแค่รับของปลอมพวกบัวที่ติดโคลนตมไม่มีโอกาสโผล่พ้นน้ำขึ้นมารับแสงอาทิตย์ได้ใช่ไหมครับนั่นแหละพวกนั้นแหละผลสุดท้ายก็ตกเป็นเหยื่อของพวกเต่าพวกปลาไป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 สร้างเองนะโยมครับเออหลวงพ่อครับกระผมกับพรนยารบกวนเวลาของหลวงพ่อมานานเห็นจะต้องลากลับเสียทีหลวงพ่อจะได้พักผ่อนจะกลับแล้วรึอเอาละ่ะขอให้เจริญสุขนะโยมนะมันพากันเจริญกรรมฐานทุกวันไม่มีอะไรจะช่วยเราได้นอกจากตัวของเราเอง